สัญญาเมื่อบังเกิดมีลักษณะอย่างไรราชาสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินธราธิบดีมีพระราชโอการตรัสว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระนาคเสนผู้ประเสริฐด้วยปัญญาปรีชาอันว่าสัญญานั้นมีลักษณะประการใดพระนาคเสนจึงวิสัชนาแก้ไขว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชาสมภารผู้ประเสริฐ